ทรงแสดงอนุปปภิกถาและอริย ส, สัจสีลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบด้วยพระทยัยถึงความคิดคำนึงในจิตของกุลบุตรในหมู่บ้านแปดหมื่นคนนั้นจึงตรัสอนุปปภิกถาคือทรงประกาศ 1. ทานกถาเรื่องทาน 2. ศ ส, สีละกะถา เรื่องศีลสสักขะกะถาเรื่องสวรรค์ 4. กามาทีนวะกะถาเรื่องโทษความต่ำซามความเศร้าหมองแห่งกาม 5. เนกขัมมานิสังสะกะถาเรื่องอานิสง์แห่งการออกจากกามเมื่อทรงทราบว่ากุลบุตรเหล่านั้น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 พระองค์ผู้เจริญพาสิทธิ์ของพระองค์ชัดเจนภัราะยิ่งนักพระองค์ผู้เจริญภาสิทธิของพระองค์ชัดเจนภัยราะยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่าเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทาง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 ผู้ถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต